ตอนทํานีเพื่อพ่อวันที่ย0สพฤศจิกา ย, ยน2559หกราบนำ้ำมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกันเลี้ยมิตุก่านก็นั่งสบายสบายเนาะบางคนบ่นว่าทำไมเมื่อวานวันเสาร์อีกแล้วดูพระพุทธเจ้าอาทิตย์หนึ่งเร็วจังเลยนะเมชีมัธยมเกินออกมา แล้วเขาก็พูดเองว่าอเป็นเพราะเรามีความสุขใช่ไหมเวลามันผ่านไปนานบางทีเราทุกข์มากคิดเหมือนมันช้าชาเวลาผ่านไปช้าช้าะทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกเป็นอุปทานนะก็วันนี้พ่อครูก็ขอเกินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูด เ, เรื่องปรงผมถือศีลปฏิบัติธรรมถวายพ่อหลวงทีนี้ เขาออกไปยูทู e ญาติธรรมก็หลายคนบอกว่าพูดไม่ชัดจริงๆแล้วก็พูดผิดนะเพราะครู พ, พูดชัดมากแต่ขัดข้องทางเทคนิคเวลาอัดนะก็มีปัญหาก็เขาขอว่าเกินเกินไม่หน่อยหนึ่งเพราะช่วงเปิดใหม่ๆมันไม่ได้ยินนะก็มีหลายคำถามว่าทำไมต้องพปร่งผมการจัดันดูรู้คุณเนี่ยนะหรือว่า ญาติเราเสียเนี่ยนะเราก็ไว้ทุกข์แต่งชุดดำชุดขาวนะก็พอนะก็บางคนญาติเสียพ่อแม่เสียชีวิตเขาก็บวชนะเขาก็บวชอยู่ทีนี้ขึ้นมันเปลี่ยนตอนนี้วิถีชีวิตคนเราเนี่ย มันวุ่นวายมากต้องทำมาหากินถ้าสมัยก่อนเนี่ยทำมาหากินเฉยๆไม่วุ่นวายนะแต่ตอนนี้ไม่ทำมาหากินทำมาหามาสร้างฐานะมันก็เลยวุ่นวายคือทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ไม่มีเวลานะกลว่าคนทุกวันนี้ไม่มีเวลานะเพราะไม่ทำมาหากิน ไม่ใช่ทำมาหากินเฉยๆนะทำมาหาเพื่อสร้างฐานะสร้างไปสร้างมาย้อนหลังสู้คน3าสิปีที่แล้วก็ไม่ได้นะคนที่ชุดที่แล้วเนี่ยเขาทำมาหากินนะสมมติว่าเขามีเงินเดือนแค่4ี่พันเพราะคุูใครบอกแล้วไงเขาซื้อทองคำได้เดือนหนึ่งเนี่ยสิบบาทเพราะมันบาทละสี่ร้อย แต่ตอนนี้ดินลนเรียนจบปริญาตีเขาให้หมื่นห้าหมื่นห้าซื้อทองคําบาทหนึ่งก็ไม่ได้เห็นไหมคนทุกวันนี้ยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดนะครับนเะพราะเรามึ่งมุ่งหาเงินทีนี้ทุนนิยมเขาก็วุ่นหาเงินเขามีทุนมากแค่ไหนเขาก็ไม่พอนะเขากลัวทุนเขาสู้คนอื่นไม่ได้นะเขาก็ใช้ ก, กลไกเทคโนโลยีการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วก็ อาศัยทุนที่เยอะกว่าคนอื่นเนี่ยนะปลาใหญ่กินปลาเล็กเขาก็ดูดทรัพยากรของโลกนี่ไปเข้าในตัวเขาไอคนที่ไม่มีก็ยิ่งห่างไปห่างใหม่เทคโนโลยียิ่งทันสมัยใหม่ยิ่งทันสมัยนะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้าไอที่เขาไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยนะคุณยิ่งรู้มากขึ้นคุณไปไกลเลยเนี่ยไอคนพวกนี้ก็เป็นเหยื่อสังคมมันก็เกิดความเหลื่อมล้าขึ้นมาเห็นไหมเรียนเกือบตายลงทุนเรียนทุกวันนี้ก็แพง นะกว่าจะจบออกมาเนี่ยนะเออเขาให้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทก็ซื้อทองคําบาทหนึ่งก็ไม่ได้เพราะมันบาทหนึ่งสองหมื่นเหมือนเราได้เงินเยอะแต่เราก็ใช้เยอะนะมนุษย์เรากําลังทําอะไรก็ไม่รู้นะก็วันนี้พรอกูจะเน้นจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้แต่ขอเกินก่อนว่าเออตั้งโจทย์ว่า บางคนก็ว่าเอ๊ะปรงผมแล้วทำไมถือแค่ศีลห้าเหมือนปรงผมปุ๊บก็บวชเป็นแม่ชีอย่างน้อยก็ศีลแปดนะบวชเป็นเนรก็ศีลสิบบวชเป็นภิกษุก็ศีลสิน227นะการปรงผมแค่นี้เนี่ยไม่ใช่บวชเฉยๆนะปรงผมไม่ต้องบวชก็ได้นะแล้วก็ทำไมต้องปรงผมนะเนี่ยนะทำไมต้องปรงผมคำตอบคือไม่ต้องก็ได้ไม่มีใครบังคับ นะแต่ที่พระครูชี้ทางบอกว่าชี้ขุมทรัพย์ให้นะเดี๋ยววันนี้มีหลายขุมทรัพย์นะพระองค์ในหลวงนี่ก็ชี้ขุมทรัพย์ให้เราอยู่แล้วนะออแล้วก็พระครูลืมมาๆขุมทรัพย์ที่ในหลวงซ่อนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ ใ, หใครเอามายพระครูก็ได้นะแต่ขุมทรัพย์วันนี้ที่การปรงผมนี้ได้สมทรัพย์อะไรนะในหลวงเคยบอกว่า o u ลอสอ s is our gain ขาดทุนของเราคือกำไรเราปรงผมเนี่เราขาดทุนผมที่สวยงามของเราไงปุ๊บหรือใครไม่เชื่อก่อนจะปรงผมปุ๊บนี่ไปชั่งกิโลก่อนว่าเราหนักเท่าไหร่พอปรงปุ๊บไปชั่งใหม่ปุ๊บเนี่ยน้าหนักเราหายไปเราขาดทุนแล้วเราขาดทุนผมมันสวยงามนะพี่ปลอยพี่หมวยนี่ผมยาวเลยนะไม่รู้ไว้มากี่ปีแลวเป็นสิปีอย่างน้อยนะ วันนั้นปงผมขาดทุนไปแล้วออแล้วคือกำไรยังไงแล้วเราก็บากว่าเก่าไงไม่ต้องแบกผมไงเห็นไหมกำไรทันทีเลยนะไม่ต้องไปแบกไอผมเนี่ยทีนี้ยิ่งผู้ชายเนี่ยอัตตาเยอะคนโบราณเนี่ยเขาใช้คำว่าผมเนี่ยเพราะอะไรภาษาอังกฤษบอกว่า I อ a ออถ้าพูดภาษาไทยสมัยพ่อขุนหลานเพคือกู ตัวกูของกูไงนะผมไงคำว่าปลงผมคือปล่อยวางอัตราตัวตนของตัวเองออกไปไอ้ตัวนี้แหละทำให้เราทุกข์ไม่มีเรื่องก็คิดให้มันทุกข์คิดตามอัตราตัวตนของตัวเองเนี่ยนะนี่คือขาดทุนคือกำไรโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงหรือเป็นสาวๆไม่ต้องสาวนะ พวกกูดูแล้วเนี่ยคนแก่แล้วหกสิปีขึ้นไปเรียกว่าคนแก่แล้วก็ยังปลงผมไม่ได้เขาบอกไม้แก่ดัดยากเพราะมันยึดติดมานานไม่ใช่เขาอยากติดนะมันเคยชินไงนะเหมือนขาดผมแล้วเนี่ยมันจะขาดใจตายอย่างนั้นนะ่ะเนาะแค่เขาบอกทรงผมเราไม่สวยนี่เราก็ทุกข์เรเห็นไหมต้องไปสะไปยอม ไปใดไปอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยชีวิตเราใช้เวลากับผมเยอะมากนะผู้ชายก็ผมผมผมผมทุกวันทุกนาทีจนกลายเป็นอัตตาแล้วแบกอัตตาตัวนี้ไว้กลายเป็นภาษาอังกฤ ษ, า ษ, าษาบอกคำว่าอายมันพัฒนาไปสู่อีโก้เป็นอัตตาตัวตนละ่ะนี่แหละคือขาดทุนคือกำไรมันเป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งว่าระวางได้แค่ไหน ที่อาทิตย์ที่แล้วพ่อกูบอกว่าตัดผมเนี่ยตัดผมยังยากกว่าโกนผมนะไม่ไม่ไมชีวันนั้นโกนเนี่ยพั๊เดียวเสร็จเลยโกนผมง่ายง่ายแต่ยากที่สุดเพราะกเกลียดเรามันไม่ยอมนะในทางศาสนาอ น, นิสงส์ของการบวชเป็นอุบายวิธีทำให้เราลดละเลิก ความยึดมั่นถือมั่นนะโดยเฉพาะผมเนี่ยมันเป็นอวส่วนหนึ่งของร่างกายเราเนี่ยนะแล้วเราอยู่กับมันตลอดชีวิตนะดูกระจกก็เห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันตลอดแล้วก็ตอกย้ำว่าผมฉันผมฉันนะก็ไปยินดีกับผมฉันสวยทรงนั้นสวยช่วงนี้ไม่สวยนะก็หลายปีที่ผ่านมา ตอนที่เขาฮิตสกินเฮดนะเริ่มจากยุโรปอเมริกานะพกูจำไม่ได้ดาราดังลังดังๆของอเมริกันยูนวินเนอร์อะไรไม่รู้นะ่ะโกนผมนะตอนนั้นก็เหอกันไปปวงผมหมดไปอันนั้นต้องไม่เรียกว่าปองผมนะ่ะอันนั้นไปตัดทรงผมหัวโลวนมันเป็นทรงหนึ่งเพราะกิเลสมันชอบนี่ฉันไม่กลัวใครฉันกล้าทำหมด แต่การปรุงด้วยสำนึกเราเนี่ยกิเลสมันย่อมไม่ชอบนะแต่ไม่ใช่ใครไม่ปรุงเป็นคนไม่ดีนะไม่ใช่มันเป็นเรื่องความพร้อมของจิตใจเนี่ยมันไม่เท่ากันบางทีจิตใจเราพร้อมแต่กายภาพกายภาพมีสองอย่างกายภาพซึ่งติดอยู่กับตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นขันห้าเนี่ยนะขนผมเล็บหนังฟันนี่อยู่ข้างนอกนะ และข้างในพวกตับไตไส้พุงอะไรเนี่ยนะรวมแล้วคือกายกับจิตซึ่งมันสร้างอารมณ์ขึ้นมานะอันนี้คือกายภาพของเราที่ติดตัวเราและกายภาพข้างนอกซึ่งเป็นสิ่งสมมุติเริ่มจากพ่อแม่เราพี่น้องเราคู่รักเราเพื่อนเราบ้านเราสิ่งแวดล้อมเรา ทรัพ ส, สมบัติของเราอันนี้กายภาพข้างนอกเป็นสิ่งแวดลอ้อมนะบางท่านปฏิบัติมาระดับหนึ่งเข้าใจเข้าใจศาสนาพุทธเข้าใจสิ่งที่พระครูพูดเป็นอุบายวิธีให้เราลดละเลิกความยึดมั่นถือมั่นไอ้ขันห้าเนี่ยนะเป็นการฝึกปล่อยวางมันบางคนทำใจได้แล้ว ร่างกายนี้ก็พร้อมเพราะหัวของฉันผมของฉันไม่ต้องขออนุญาตใครแต่บางคนเนี่ยผมของเราก็โกนไม่ได้เพราะคนรักเราไม่ยอมให้โกนเพราะผมเราเป็นของเขาอันนี้สิ่งแวดล้อมไม่พร้อมแต่บางคนสิ่งแวดล้อมพร้อมมากพ่อแม่ก็ยินดีแต่ตัวเองไม่เอาเพราะว่าร่างกายเราไม่พร้อมจิตใจเรายังไม่พร้อม นะอันนี้เป็นการประเมินสภาวะธรรมกันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดบางคนกลัวจนวันที่ห้านี่ไม่กล้ามาศูนย์เลยนะพราวกแก้วเดี๋ยวว่าครูวันนี้พูดให้ชัดเจนมาเถอะมาช่วยกันทำบุญนะเมานุโมทนาสาธุกับคนที่เขาปรงผมได้ไม่งั้นเราพลาดโอกาสอีกนั่นแหละไม่ได้ร้อยก็เอาห้าสิบก็ยังดีอนะ่ไม่ใช่ไม่มาเลยศูนหนึ่งก็ไม่ได้นะ พวกคูไม่ได้เรียกว่าบวชพวกเราบวกจิตบวชใจอยู่แล้วล่ะชวนบวชได้กี่เปอร์เซ็นต์นั้นมันเป็นเรื่องของนานาจิตตังนะมันเป็นเรื่องสิทธิเราไงเมื่อตัวเราไงผมเราหัวเราไงมันหนักหัวใครเหลือสมมติภาษาพูดภาษานักเลงเออภาษานักๆหัวกูไงมึงมึงยุ่งอะไรกับเกี่ยวกับหัวกูเห็นไหมจำยังไง คนอื่นเขาไม่ได้ยุ่งเลยบางทีเขาสับสนุนแต่ว่าไอ้ตัวกูนั่นแหละมันยุ่งเองก็ <c oughs> หัวกูไงกูไม่โกนมีอะไรไหมไม่มีอะไรตำรวจก็ไม่จับอีกเช่นกันเนาะไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีเรื่องถูกหรือผิดนะเพียงแต่ว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเรากลัวความเปลี่ยนแปลงมาก ในความกลัวความเปลี่ยนแปลงเราไปฝืนระบบธรรมชาติธรรมชาติมันต้องเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะถ้าเราไม่ฝึกยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะเปลี่ยนเลยเนี่ยนะสักวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะทุกข์มากเอาแค่เรานอนหลับไว้ผมมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยตู้ตื่นช้ามาก็เห็นกระจกมันสวยงามพอคืนนั้นน่ะมีคน จิตใจที่เป็นโรคจิตนะมันมาขโมยตัดผมเราไปอย่างนี้นะตื่นมาวีนเลยผมฉันหายเห็นราก็ทุกข์ไงเพราะเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะที่พ่อครูบอกว่ายี่บปดปีมาอยู่ที่นี่เนี่ยพ่อครูมั่นคงทุกทุกนาทีไม่มีวินาทีไหนจะเกิดความกังวลเลยนะศูนย์นี้ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเห็นไหมของไม่หายเลยไม่แต่หนึ่งชิน้น แต่จริงๆแล้วมันน่าจะหายทุกวันอะแต่ไม่ใช่ของพ่อครูไงฮะมั่นคงมากเห็นไมผมก็ไม่ใช่ของเราหัวก็ไม่ใช่ของเราตัวเราก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมเพียงแต่ว่าสมมติบัญญัติเวลานันศาสนาพุทธก็เอาอานิสงส์เอาอุบายในการปรองผมเนี่ยเพื่อให้เราฝึกปล่อยวางไม่งั้นเราจะเปหลงติดมันนะ ตอนนี้ส่วนมากเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเขินมันอายนะนี่คือกิเลสแล้วไงเห็นไหมเราเห็นกิเลสเราแล้วเรายังเขินเราอายไงแล้วก็เขินอายปุ๊บก็กลัวละกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตเราเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่าว่าคนที่เรารักนะสมมติผู้ชายรักผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากผมเขาก็สวยสวยรักผมยาวยาวมาก นะสักวันหนึ่งเขาไปตัดผมออกหรือว่าเขาเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ว่าผมเขาสั้นลงนะบางทีอุบัติเหตุเขาตายต่อหน้าเราเนี่ยตอนนั้นทุกข์ละเห็นไหมเพราะเราบอกตัวกูของกูไงแฟนกูไงนะกูรักไงเพราะของเรารักเนี่ยสูญไปทันทีเราก็เลยทุกข์เห็นไหม มีคู่รักคู่หนึ่งนะ่ะมั่นกันแล้วพรุ่งนี้จะแต่งงานกันแล้วคืนนั้นฝ่ายเจ้าเบ่าวรถชนอุบัติเหตุ ต, ตายไงเจ้าสาวร้องไห้ทุกข์มากทำไมธรรมชาติโหดร้ายอย่างนี้รักกันมาดีๆก็ตายจากกันไปเห็นไม่ไปโทษธรรมชาติอีธรรมชาติไม่บอกซะหน่อยหนึ่งวันนี่คือแฟนเธอนะคุณไปสมมติเองนี่แฟนฉันไง นี่ลูกฉันไงนี่แม่ฉันนี่พ่อฉันนี่คนรักของฉันไงเราไปสมมติขึ้นมาเองท่านพชาติไม่ได้บอกเลยนะเห็นไหมเราไปไปยึดเองพอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราก็เลยทุกนที่ผ่านมา28ปดปีพระครูอยู่ที่นี่ไม่เคยบังคับให้ใครทำอะไรนะมีแต่ชี้ขุม้มซัพย์ให้ส่วนใครจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังคนเราความพร้อมไม่เท่ากัน เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพื่อนพ่อครูตั้งแต่เรียนกันเด็กๆนะคนหนึ่งก็มาจากอเมริกาคนพวกอยู่กรุงเทพนะสามสี่คนมาเยี่ยงพ่อครูอีกคนหนึ่งก็อยู่บนนั่นแหละนะไม่เจอกันรู้สึกสามสิบปีสี่สิบปีแล้วเนาะนะเขาก็บอกใช่สิพ่อครูก็พร้อมแล้วไงที่คนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้ทุกขกับลูก พววาอครัวพร้อมหมายถึงอะไรนะพราะคูัวรวยแล้วไม่พอทำให้เพื่อนฝูงหลายคนรวยแลวไงพร้อมแล้วไงนะพาอว่าโอ้ยบิวเกตยังไม่พร้อมเลยนะถ้าเกี่ยวกับเงินเยอะแล้วมันพร้อมไม่มีทางพร้อ ม, ไ ม, ม, อมไม่มีทางทุนนิยมเรามีมากแล้วก็กลัวคนอื่นมีมากกว่าเราไม่มีทางพร้อมพร้อมไม่พร้อมอยู่ที่จิตใจไม่ได้เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจนะ ถ้าพกูพร้อมเพราะพะกูเป็นเศรษฐกิจนะมีเท่าไหร่ก็หมดนะมาที่นี่โยนทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้งจนตอนนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยไงไม่มีของเราแม้แต่นหนึ่งอย่างเห็นถ้าเราคิดว่าฉันมีตรงนี้แล้วเอาพูดเลยพูดความจริงกันแล้วกันน้องชายพครูเนี่ยคนเล็กเนี่ย พอพ่อคู่ย้ายมาอยู่ที่นี่หปีเขามาเยี่ยมพ่อคูทุกปีทุกปีทุกปีกปบอกโอ้โหที่นี่มีความฉุกจังเลยนะไปขายธุรกิจทิ้งให้พวกเกาหลีเลยล่ะธุรกิจคอมพิวเตอร์เราเนี่ยขายยกเข่งเลยนะบางเอิญเขาไม่ใช่เข้าถึงทำรรนะเขาเป็นอุดมการเขาก็เอาเงินดอลล่าเขาเนี่ยโอนมาเมืองไทยแลกเป็นเงินไทยหมดตอนนั้นเนี่ยเขาเลือกอาชีพที่มั่นคงที่สุด ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องเสี่ยงแม้แต่หนูม่แต่น้อยนะเอาเงินฝากธนาคารเฉยๆดอกเบีย้ยมันกินไปร้อยชาติก็ไม่หมดไงทำบุญทุกวันก็ไม่หมดไงนะมาอยู่ได้แค่สิบเอดเดือนหอบครอบครัวมาเลยนะแล้ววางแผนว่าจะต้องทำสนามเทนนิสสนามไดก์บมีสาวย่นานเขาถึงจะอยู่ได้ไงบอกแค่คิดแค่นี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหม สิบเอ็ดเดือนทำไมรู้ไหมปีสี่ศูนย์เศรษฐกิจมันล่มงเงินบาทลอยตัวนะฮะจากยี่สบาทเศษเนี่ยตอนหนึ่งดอลลาร์มันกลายเป็นสี่ห้าสิบาทไงบอกเงินมันหายไปครึ่งหนึ่งนอนไม่หลับเดินไปเดินมาบอกวัดมันเป็นบ้าหรออยู่ในนี้ไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ซะหน่อยหนึ่งอยู่ไม่ได้เห็นไหมคิดว่ามีเงินเยอะจะอยู่ที่นี่ได้หรอไม่ได้ เหย่ไหมหมามันบวกเห็นด้วยกับพ่อคูหอนใหญ่เลยมันถูกใจนะถ้าเราพร้อมเรามีเงินเยอะล้วไม่มีทางอยู่ไม่ได้ที่นี่อยู่ไม่ได้เขาเลือกอาชีพที่มั่นคงที่สุดนะไม่ต้องเสี่ยงเลยนะเราค้าขายยังมีได้มีเสียใช่ไหมแล้วตอนนั้นอนะ่ะเมืองไทยดอกเบี้ยมันปีหนึ่งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นอนเฉย เ, เ, เงินก็ขึ้นมาขึ้นมาทุกวันนะ่ะนะ อยู่ไม่ได้เขาทุกข์มากเตือนยังไงก็ไม่ตื่นนะพวกกูก็บอกแก้ให้การเฉพาะหน้าวัดรีบไปเอาเงินที่มึงเหลือน่ส่วนหนึ่งซื้อทองคำไว้เท่าที่มึงซื้อได้นะมันก็แก้ได้นิดหนึ่งแล้วจากวันนั้นหายไปเลยเพราะเงินมันค่าของเงินมันหายไปครึ่งหนึ่งนะก็ไปลงทุนกับคนจีนที่ประเทศจีนเนี่ย ไปสร้างโรงงานผลิตมือถืออะไรก็ถูกเขาโกงแล้วกลับไปอเมริกาก็ไปลงทุนทำร้านอาหารที่ตัวเองถนัดแล้วก็เรียนสถาปัตย์มาไม่เคยใช้เพราะเป็นเท่าแก่มาตลอดยก็ไปออกแบบทำหมู่บ้านขายแล้วไปเจอเศรษฐกิจอเมริกาเจ๋งอีกและเป็นยังไงยิ่งดิ้นก็ยิ่งลัดเงินไม่ได้ไปว่ามีความสุขจนไปว่าไม่มี หรือมีไม่พอหรือมีน้อยไม่ได้แปลว่าทุกข์รวยแปลว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขนะเนี่ยเราทุกข์เพราะเรามีพอมันหายไปหน่อยหนึ่งเราก็ทุกข์ละพะเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเหมือนเรามีผมนั่นแหละนะเราคุ้นเคยกับมันไงเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเรากลัวมากนะกลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าเราไม่สวย บางทีคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราเลยนะเราคิดเอาเองใช่ไหมไมันเป็นอุปท า, านนะนะที่เราทุกเนี่ยเพราะเราผิดศีลผิดศีลคืออะไรเราไปขโมยเอาของธรรมชาติว่าเป็นของเรานะตัวเราตัวกูของกูไงเพราะกูบอกให้ถ้ากู ก, กูจริงๆนะไอตัวกูมึงฟังกูนะ มึงห้ามแก่เด็ดขาดนะแล้วมึงห้ามเจ็บด้วยแล้วมึงห้ามตายด้วยนะกูไม่ชอบถามว่ามันฟังเราไหมขอโทษนะเพราะกูยืมภาษาอาจารย์พุทธทาสมาชาย้ยตัวกูของกูมันฟังเราไหมไม่ฟังไงมันไม่ใช่ของเราไงวันที่ตายแล้วก็เอาไปเผาเห็นไหมเออเร็วๆนี้เราก็เห็นมรณ า, านุสติไง อ, อคุณพ่อสุวรรณเนี่ยแสดงทาให้เราเห็นเลย เผาต่อหน้าเราเลยเห็นไมกลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินไงเห็นไตัวเรามันหายไปไหนละจิตวิญญาณมันแบกร่างกายนี้ไปได้ด้วยไหมก็ไม่ได้ไงทั้งหมดที่เราทุกข์เพราะเรามีแล้วมีไม่เป็นไรนะเรามีไม้เราก็ใช้มันเรามีสาลาเราก็ปฏิบัติแต่จะไปหลงความมีนั้นถ้าเราไปหลงความมีนั้นกาเป็นของเราเมื่อไหร่เราผิดศีลแล้วเราไปเอาของธรรมชาติเป็นของเรา เราเกิดมาตัวเปล่าเราต้องกลับไปตัวเปล่าเอาไปไม่ได้แต่ตอนนี้เราถูกสอนทุนนินยมสอนว่านี่ของเธอนะนี่ตัวเธอนะเออนี่ผมเธอนะนี่แหละคำว่าปรงผมนะอันนี้พูดมาหลายเป็นช่วงๆนะศูนย์นี้เกิดขึ้นบังเอินพวกกูไม่ค่อยจำนะพวกกูเลยไม่ได้ลืมนะแต่เข้าๆก็คือว่า เกิดจากบา ร, รมีของสมเด็จย่าเร า, าพระองค์สวรรคตศึกษาธิการอำเภอตอนนั้นยังมีศึกษาธิการอำเภอนะเขาไม่เปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่เนี่ยามาปฏิบัติกับพระครูเป็นโรคภูมิแพ้อะไรก็หายละก็มาเชิญพระครูช่วยเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุถวายสมเด็จย่าตอนนั้น ราชาการเขาประกาศว่าถ้าค่าราชาการใครมาบวชเนี่ยได้สองขั้นพวกครูก็ไม่เป็นไรลองลองลองประกาศออกไปคิดว่าไม่ไม่คนคงไม่มีมีกี่คนนะมาสมัครหนึ่งร้อยสิบเ็ดลูกตอนนั้นศูนยังไม่เกิดเป็นป่าลกนะประกาศเอาแล้วจะเอาไปอยู่ที่ไหนนะ ถ้าบวชสิบห้าวันตอนนั้นนะ่ะบวชแล้วไปเฝ้าวัดต่างคนต่างไปเฝ้าแล้วก็บวชแค่แค่บวชเฉยๆไม่ได้อะไรเนี่ยนะนักคำก็บอกว่าที่นี่มีสำนักสงฆ์เก่าล้างไปแล้วแหละแล้วก็บุกป่าเข้ามาดูนะไม่มีถนนเข้ามานะไม่มีอะแบบนี้นะเป็นป่าทึบไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรแ้วพระครูก็บุกเข้ามานะนะพราครูบอกใช่ละตรงนี้แหละ ก็ขุดบ่อน้าสร้างศาลาภายในสองอาทิตย์ยังมีร่องรอยอยู่นะกุติเล็กยังมีร่องรอยตอนนั้นยี่สิบหลังแล้วก็สร้างขึ้นมานแล้วก็ไปวันบวชไปบวชเจ้าคณะอำเภอเพราะคูก็ประกาศว่าที่นี่เรามีศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกคนมาคนละทิศ ท, ทางทิศ ท, ทางไม่รู้จักกันไม่ได้นัดหมาย นะศูนย์นี้เกิดขึ้นวันมาค่าบูชานะสีเหลืองเต็มศูนย์เลยแล้ววันนั้นเวียนเทียนบางคนก็ร้องไห้ไปด้วยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นล่ะใครกล้าคิดไหมไม่นะเพราะครูถึงว่าเวลานั้นนะเกิดขึ้นเพราะบา ร, รมีสมเด็จยา่าเพราะกูไม่มีบา ร, รมีอะไรนะมีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจ มีแต่วความศรัทธาในพุทธศาสนานั่นลหละศูนย์เกิดขึ้นวนนั้นแล้วก็รักษามาจนถึงวันนี้นะแล้ววันที่ห้าธันวาที่จะถึงนี้เนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้พึ่งบา ร, รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรารัชกาลที่เก้าแต่บังเอิญพวกเราอยู่ที่ศูนย์เนี่ยเราพร้อมก่อนนะใครพร้อมก่อนก็ ปงผมก่อนเดี๋ยววันนั้นมันจะยุ่งวุ่นวายนะอันนี้ก็เป็นบอกขุมทรัพย์อันนี้ขุมทรัพย์จริงๆเลยนะขุมทรัพย์ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหน <c oughs> มันเป็นอริยทรัพย์เราตายแล้วไม่จบมืนนั้นข้ามภบข้ามชาตินี่คืออา น, นิสงค์ของการบวชมันไม่ถึงบวชทีนี้พอกู้รถเพดานลงมาเนี่ยนะทุกคนต้องดํารงชีวิตใครจะมาบวชหมดเนี่ยแม้กระทั่งสามวันห้าวันก็ไม่มีเวลา นะเราก็ใช้คำว่าปรงผมเฉยๆนะส่วนใครปรงแล้วใครจะถือสินห้าใครจะถือสินแปดใครจะถือสินสิบใครจะถือสินปาติโมก็แล้วแต่ความพร้อมของตัวเองนะถึงมาที่นี่ไม่สะดวกที่จะปรงผมนะก็ถือสินห้านะชีวิตนี้มีครั้งเดียว พูดถึงการสนองคุณแผ่นดินเกิดเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระ อ, องค์เป็นพระเจ้าแห่งแผ่นดินนี้และเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาบันกรรษัตริย์ไทยเนี่ยมีส่วนดูแลประเทศชาตินี้มาถึงตรงนี้ได้ยุคสมัยโบราณถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพอเกิดศึกสงครามกับประเทศใกล้เคียงเนี่ยนะผู้นำแผ่นดินขี่คอช้างขึ้นไปประชิญก่อน นะแพ้คือตายท่านรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เราเราเป็นคนไทยถ้าไม่มีกระตันอยู่รู้คุณแล้วเนี่ยมันไม่เจริญบางเกินฟุกนะนะถูกระวันที่หนึ่งหลายรอบหลายแล้วรวยมากแล้วเกิดปุบติเหตุตายนะไม่ได้ใช้เงินหรอกเพราะเราเป็นคนที่จิตไม่เป็นกุศล ความกระตัญญูเนี่ยคือสั ญ, ญลักษ์ของคนดีนะเป็นสัญลักษ์ของคนดีทีนี้เราพูดแต่วาจามีศูนย์นี่ตอนกีฬาสีนั่นนะช่วงพ่อครูไปบรรยายกรุงเทพออกไปข้างนอกห้าปีนะเออเป็นช่วงที่กำลังมีกีฬาสีพอดีไม่ว่าจะสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีอะไรเนี่ยพอค่ายนี้เชิญไปค่านั้นบอกว่าพวกมัน ข่าวนี้มันบอกพวกมันพ่อคูไม่มีพวกนะพ่อครูเข้าข้างใครก็ไม่ได้เพราะพ่อคูก็ไม่มีมีแต่เตือนสติว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่าว่าจะคนไทยด้วยกันนะเอามนุษย์ด้วยกันอ่อยอดออกมาเป็นคนไทยด้วยกันเนะี่ยคุณด่าสีนั้นมันเป็นคนชาติอื่นหรือเปล่ามันก็เป็นคนไทยนะสีนี้ด่าสีนี้ก็เป็นคนไทยนะคุณรักชาติแบบไหนคุณด่าคนไทยด่าเก่งมากในศูตรนี้ก็มี เอาเต่ดาเอาแต่ตำหน่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยไม่เห็นแสดงความรักชาติเลยไม่รู้รักจริงหรือเปล่าพะกูพากูทำไมเลือกบ้านเกิดเมืองนอนที่นี่เนี่ยนะพวกกูกลับมาสนองคุณแผ่นดินเกิดไม่ใช่พูดเล่นนะจิตไม่ต้องการเป็นหนี้อะไรอีกแล้วแล้วเกิดอยู่ในชุมชนไหนสังคมไหน เราก็สร้างชุมชนนั้นมันเป็นการให้ทานนะปดปีพ่อครูมาอยู่ที่นี่พ่อครูทํสองเรื่องหนึ่งสนองคุณแผ่นดินเกิดสองสนองคุณกูบาอาจารย์ที่ทาให้ครูพทุกคือพระพุทธเจ้ามันต้องกินเงินเดือนไทยนอกนั้นไม่ทําแล้วตอนนี้พระเจ้าของแผ่นดินเราท่านสิ้นพระชนเนี่ยเราไม่ทําอะไรเลยเลย ไอ้แค่ใส่ชุดดําชุดขาวเนี่ยมันเป็นคนธรรมดาพ่อแม่เราก็ธรรมดาแต่ในหลวงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพระองค์เป็นในนี้มีนะมีเขาพูดอยู่นะพระองค์เป็นสมมติเทพจริงๆแล้วไม่ใช่เทพธรรมดาพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ในยุคร้อยปีที่ผ่านมาในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีนะไม่มี มหาตรมาคารทียุคที่ผ่านไปน่นะเป็นรัฐบุรุษโลกอันนั้นเป็นแค่อุดมการนะมอเปรียบเทียบกับในหลวงของเราเนี่ยคนละเรื่องมหาตรมาคารทีเป็นทักเรียนนอกเสียสละชีวิตนะมาอยู่แบบเรียบง่ายสมม t h มาอดข้าวต่อสู้แบบอหญิงสาขับไล่ ผู้บุกลุกก็คือประเทศอังกฤษอังกฤษก็ยอมถอยไม่ใช่เขากลัวหรอกนะนะเพราะคนอินเดียเนี่ยเขาใช้ระเบิดปรมนูนะนะช่วยกันถ่ายมันข้างถนนนะ่ะถ่ายไปหมดเลยคนอังกฤษเขาเป็นผู้ดีเขากลัวมากเขาก็เลยถอยนะแต่ถอยไม่ได้นานนะมาหาตรมาคานทีก็โดนคนอินเดียด้วยกันเนี่ยฆ่าทิง้งเเห็นไหม เพราะมันขัดแย้งกับเรื่องศาสนาแต่ในหลวงของเราเนี่ยพระองค์เนี่ยดูแลทุกๆุกศาสนาอยู่ในแผ่นดินนี้เห็นหรูปซึ่งมีทุกบ้านรูปซึ่งมีทุกบ้านภาคใตม้มีอีเหนืออีสามนมีมีหมดมันคนละเรื่องกันนะ ในฐานะที่เราเป็นลูกหลานของพระองค์เป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเราไม่คิดที่จะทําอะไรเพื่อสนองคุณเลยโอ้เนี่นอนเราเรียนเก่งๆหาเงินจนเป็นแสนเป็นหมื่นล้านก็สนองคุณไม่ซูญแผ่นดินนี้ไม่ได้หรอกเนาะถ้าเกิดเราเกิดมาปุ๊บบังเอิญผู้นําประเทศเราหลายยุคเนี่ยไม่ดูแลบ้านเมืองเราเป็นเมืองขึ้นเห็นไหม มหาธรรมาการที่ต้องเสียสละชีพเพื่อแย่งบ้านเมืองขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นทาสของประเทศอื่นไงเราเป็นไทยทุกวันนี้เนี่ยเพราะบรรพบรุษเราเนี่ยเสียสละชีวิตนะถ้าเราจงไม่สนองคุณไม่รู้จักกระตันอยู่แล้วเนี่ยเห็นหมเราก็แบกกิเลสไปนะนี่คือขุมทรัพยนะ์นะขุมทรัพย์ คนอื่นไม่รู้ไม่ต้องไปรายงานไม่ต้องไปโชว์เราวางได้นะเราก็เบาจิตเรารู้แล้วว่าเราวางแล้วนะพ่อครูวันนั้นบอกว่าเราตัดผมนะไม่ใช่ตัดคอนะตัดคออย่าเพิ่งนะยังไม่บรรลุอย่าเพิ่งตัดตัดผมไม่ใช่ว่ามันตัดแล้วมันไม่ขึ้นมาเลยมันก็ขึ้นมาไงมันไั่มันยากอะไรเนาะนะนะแต่ถ้าตัดคอได้แล้วก็บรรลุนิพานเลยอย่าอยู่เลยนะหยุตัดเลยนะ แค่คอเดียวนี่ยรียบตัดเราเสียคอนี่ไม่รู้คิดเป็นชาติชาติไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติแล้วนะอันนี้ตัดแค่กิเลสหยาบหยาบด้ยังตัดไม่ลงถ้าต่อไปชีวิตเราจะยังไงเหรอนะอันนี้หมายถึงท่านผู้ที่มีความพร้อมเนาะแต่ท่านยังไม่พร้อมก็อย่าไปคิดมากนะมันทุกข์เปล่าเปก็ดูตัวเองพิจารณาตัวเองมาเออตัวเองทําแค่ไหนโอเคให้มันเกิดสำนึกก็พอว่าเออเรา รู้ว่ามีโอกาสต้องสนองคุณแผ่นดินที่เราเกิดนะคนไทยต้องมีความกะตันอยู่กะตะเวทิตาจิตกะตันอยู่นะรู้คุณไม่พอต้องสนองคุณไม่ใช่รู้หมดรู้หมดรู้หมดแต่ไม่รู้จริงสักอย่างหนึ่งพอถึงเวลาก็ไม่กล้าทำเห็นไมอันนี้คือขุมทรัพย์ แล้วก็ห้าธันวา this เนี่ยจริงๆแล้วห้าธันวาอยู่ในจิตเราตลอดนั่นแหละไม่ไดไม่มีวันลืมแต่ในทางสมมติบัญญัติแล้วเนี่ยนี่เป็นห้าธันวาสุดท้ายของชีวิตเราแล้วเนี่ยซึ่งจะเป็นวันพ่อต่อไปจะไม่เป็นวันพ่ออีกต่อไปเราจะพลาดโอกาสทองพอคิดย้อนหลังมาเราจะเสียใจทีหลังนั่นคนเราชอบเป็นอย่างนั้นเนาะ มีเพชรเม็ดงามอยู่ตรงหน้าแล้วก็มองข้ามมันผัดวันประกันพุ่งนะการทำความดีอย่าไปผัดวันประกันพุ่งเพราะพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เน้นให้ฟังว่าไม่ใช่ภาคบังคับพราะกูบังคับใครไม่ได้แล้วก็คุยกับหลายคนนี่แปลกมากนะเนี่ยคนงานเนี่ยยี่กว่าปีพราะกูสร้างงานสร้างงานเพื่อไม่ให้เขาทิ้งลูกเมียเา ที่ผ่านมาก็ลูกเมียก็มาทําด้วยทําท ำ, ทำใหญ่เขาทิ้งถิ่นฐานบางคนก็ฟ้องพ่อครูเนี่ยเงินเดือนออกปุ๊บมันก็ไปนั่งกินเหล้าในหมู่บ้านพกก่อคููยังไงก็ดีไงอ่ะมันกินในหมู่บ้านก็ดีกว่าไปกินที่กรุงเทพทิ้งลูกทิ้งเมียไงไม่ใช่หน้าที่เราเรามีหน้าที่ให้เขาเขาไม่มาปฏิบัติหรอกเขาไม่ปฏิบัติเขาก็อ้างว่าไม่มีจะกินเลยมานั่งหลับหูหลับตาเขาก็ว่าของไปนะพกก่อครูมีหน้าที่ให้ แต่เมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยมาปรงผมหมดเลยเนี่ยคนไม่มีความรู้ไงเขาไม่คิดมากไงพอพ่อคูแจกนามบัตรตอนนั้นเดี๋ยวไม่ใช่นามบัตรอันนี้ขอโทษนะเปลี่ยนคําพูดใหม่เนาะ <c oughs> ะพระฉายเราฉายยารักของในหลวงเท่านั้นเองนะมากวนผมหมดเลยนี่ไงคนมั่นนอกคนไม่มีความรู้เลยไงเขายังรู้จั ก, กรตันอยู่ไงนี่คือสิ่งมหัศจรรย์นนะไม่มีทางหรอกเรียกคนโคน้นี่มันมา ปงผมมาบวชจั น, นเรนขายังมีสํานึกเห็นไหมพวกคูเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้นัดหมายเลยว่าเฮ้ยโอกาสอย่างนี้มีน้อยนะเราจัดเวทีจัดเวทีเรียกมานะเออาแก้วไปเอาเสื้อยืดสีดำให้เขาใสา่ปุ๊บก็มาถ่ายรูปร่วมกันไงไม่งั้นผ่านไปอีกวันหนึ่งสีดําจะกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> พวกคูไม่รอพวกคูไม่ลังเลทําอะไร ที่ควรทำทำเลยไม่ใช่จบนะนะแต่วันที่ห้านี่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเออเราเราตับจัดกิจกรรมนะเพื่อวันพ่อสุดท้ายของเรานะก็ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยสูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พูดถึงระดับประเทศนะตอนนี้เป็นยุคดิจิทัลเนี่ยนะข่าวสารไรพรมแดนเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดขึ้นเร็วมากการทำลายล้างก็เกิดขึ้นเร็วมากความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของจิตวิญญาณของมนุษยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นเงาตามตัวขึ้นมานะเพราะว่ากายเปลี่ยนกายข้างนอกเปลี่ยนกระทบกายเราปุ๊บนี่อารมณ์ข้างในก็เปลี่ยน เอาลงพวกนายเปลี่ยนกายภาพก็เปลี่ยนมันลิงกกันไปหมดอ่นะพาพอโกรธมาพอกลัวมาเนี่ยเขาบอกว่าผีพวกก็วิ่งไม่ออกเลยกายภาพเดินมาดีๆทําวิ่งไม่ออกเนะี่ยกายเวทนาจิตทํา ร, รวมต้องไปด้วยกันแต่ตอนนี้เนี่ยกายภาพของโลกใบนี้เนี่ยนะโลกร้อนขึ้นมาแล้วนะพอมนุษย์ไปทําลายล้างมันเร็วมากแล้วเก่งมากมีเครื่องมือทําลายล้างเร็วมากนะเมื่อมันเปลี่ยนมากเดี๋ยวก็อากาศร้อนเดี๋ยวก็เย็นเนี่ยมันก็มากระทบจิตใจเรารุดเนี่ยโกรธง่ายโมโหง่าย ความอยากได้ก็เยอะขึ้นเห็นไหมเมื่อทุกอย่างมันเร็วข้างนอกมันเร็วมากอารมณ์เราก็เร็วเหมือนกันนะการทำไรล้างจึงจึ ง, จ, งจึงเร็วขึ้นแล้วก็ทีนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่ชี้ให้เห็นนะแบบคนละขั้วเลยนะความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเมื่ออยากโลกมันเปลี่ยนนะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงว่า แล้วมาเกิดในยุคนี้ได้ยังไงนะเอาแค่พ่ะกู6กบดนะอาจจะเข้าโรงเรียนตอนสามสี่ขวบเนี่ยนะกสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการการศึกษานะของโลกเพราะว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปนะตัวนี้เดี๋ยวจะให้มันเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆมัธยมนะ กูไอเไม่ชีโฮงขึ้นมาลูกมาช่วยอ่านให้วิทยาทานเพราะว่าเป็นวันเกิดของไม่ชีโฮ่งเราก็ให้ไม่ชีโฮ่งเนี่ยมาสร้างบารมีนิดเดียวลูะกะก็อ่านาฟินแลนด์จะเป็นประเทศแรกในโลกที่ยกเลิกวิชาเรียนเกือบทั้งหมดทั้งคณิตฟิสิกส์และอื่นๆด้วยเหตุผลนี้ระบบการศึกษาฟินแลน ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกในอีกการจัดลำดับนานาชาติฟินแลนด์มักจะติดอยู่ในท็อปสิเสมอล่าสุดได้ตัดสินใจปฏิวัติการศึกษาอีกครั้งโดยยกเลิกการศึกษาแบบเดิมๆการศึกษาฟินแลนด์ต้องการที่จะยกเลิกวิชาเรียนที่มีอยู่ในหลักสูตรการสอนเดิมทั้งหมดโดยวิชาฟิสิกส์คณิตวรรคาดีประวัติศาสตร์และภมิภูมิศาสตร์จะไม่อยู่ในหลัก สูตรการสอนอีกต่อไปทางผู้อำนวยการของกลมสามังศึกษาในเฮลสเกอร์อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงว่ามีโรงเรียนที่ดาเนินการสอนหลักสูตรสมัยเก่าที่มีประโยชน์ในยุค90แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปเราต้องการสิ่งที่เหมาะสมสำหรับศตรวรรษที่21นักเรียนจะศึกษาเหตุการณ์และประวและปรากฏ ก, การ์ในรูปแบบสหวิทย ทายาการตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองจะถูกศึกษาผ่านมุมมองของประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และคณิตศาสตร์และการเรียนการสอนทั้งหมดจะแทนที่ด้วยการศึกษาแบบในแบบที่ซึ่งนักเรียนจะซึ่ซมซบับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเศรษฐศาสตร์และทัศแล ะ, และการสืส่อสารไปพร้อมกันเรียกว่าไม่จําเป็นต้องนั่งเรียนทีละวิชาอีกต่อไปพอพื้นถามพวกเขาได้เรียนกันมาทั้งหมดแล้วตั้งแต่มพยมต้น ถึงเวลาที่พวกเขาต้องนํามาใช้ในสถานการณ์จริงพวกเขาต้องการจะเรียนจริงๆได้คํานึงถึงความทะเยอทะยานของตัวเองเพื่ออนาคตและความสามารถของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดั้งเดิมในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนทุกคนไม่จำเป็นต้องนั่งรออยู่ที่โต๊ะและรอให้ครูถามหรือคาถามต่อไปแต่ทั้งครูและนักเรียนจะทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆโดยการห า, หารือกเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆและหาข้อ จะ ห, หาทางไขคำตอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดระบบการศึกษาฟินแลนด์รูปแบบใหม่นี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันซึ่งไม่ซึ่งไม่ได้ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนแต่จะส่งผลถึงตัวครูอีกด้วยการปเป็นรูปโรงเรียนจะต้องมีการจัดการที่ดีระหว่างครูกับวิชาการสอนต่างๆโดยในเฮลซิงกตอนนี้มีครูประมาณ 70% ที่เตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรใหม่นี้แล้วเรียบร้อย แถมพวกเขายังได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยคาดว่าการเดทรูปนี้จะเาเดในสิ้นปี20ค่ะเอาสาธุพร้อมกันเออสาธุนี้แปลว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะพวกครูชี้ให้ดูจริงๆแล้วศูนย์เราทำก่อนฟินแลนด์อยู่แล้วแต่ตอนนี้ครูในโรงเรียนเรายังไม่เข้าใจนะพวกครูขโมยเด็กๆในโรงเรียนมาชุดหนึ่ง ปถมก็ขโมยมาชุดหนึ่งนะแต่บังเอิญว่าการต่อยอดไปข้างหน้าเนี่ยเขาเขายังวิชาการมาบล็อกเราอยู่นะทีนี้ครูทางมัธยมเนี่ยก็แยง้งพวกครูน่อยเขาบอกว่า เ, าเหมือนว่าที่ผ่านมาในหลวงสอนครูตู้อะไรเนี่ยนะครูตู้ก็คือดูในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมันแข็งทื่อครูสอนยืนสอนดีกว่าดีกว่าแน่แนถ้าครูดี ถ้าครูเก่งจริงแล้วจะเอาครูดีครูเก่งที่ไหนมาสอนเด็กตั้งเยอะแยะนะแต่ทีนี้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญวิชาการเนี่ยมันไม่ได้สอนให้คนเราเนี่ยมีทักษะเก่งขึ้นเห็นไหมจบด็อกเตอร์ทางภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาประเด็นมันอยู่ตรงนั้น มันอยู่ที่ว่าสอนแบบนี้ครูสอนสดๆดีหรือว่าของคอมพิวเตอร์ดีเนี่ยพ่กครูต่อไปถ้าสอนให้เด็กเป็นหุ่นยนต์ท่องจํานี่ครูไม่มีงานทำแหละพาะครูจะเอาหุ่นยนต์มาสอนแล้วก็ใช้ภาษายิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ครูเราเวลาดีใจก็ขยันสอนเด็กเวลาขี้เกียจมากก็ไม่สอนโมโหมาก็ไปด่าเด็กไม่ใช่คุณครูไม่ดีนะแต่หลักสูตรการศึกษาเนี่ยเป้าหมายการศึกษาเราผิดหมด ไม่รู้จะอธิบายยังไงไปแต่ว่าเออดึ ง, ด, งดึงมาดึงมาดึงมาเราลองดูเรียนรู้ไปด้วยกันนะอันนี้ชี้ให้ดูว่าถ้าเราไม่ปรับตัวนะเมืองไทยเราเนี่ยคือคือฟินแลนด์เขาเอาความเป็นจริงเขารู้เท่าทันโลกว่าเฮ้ยมันเร็วมากเร็วมากเขาก็ปรับหลักสูตรเขาเนี่ยให้เด็กมันเรียนแล้วมันมันทันโลกได้จริงๆแต่สุดท้ายโลกก็เปลี่ยนอีกนะมันไม่จบสิ้น แต่ชี้ให้ดูว่าเขารักเด็กเขาจริงๆเขาอยากให้เด็กเขาเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยรู้เท่าทันโลกจริงๆเขาถึงปรับไงบ้านเราผู้ใหญ่มือแต่ทะเลาะ ก, กันแล้วก็อุดอาดอื้ออยอ้ายการศึกษาแบบเต่าล้านปีอันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่สำหรับพวกครูแล้วแม้กระทั่งฟินแลนด์ทำแบบนี้ตามไปว่าไม่ทันเดี๋ยวโลกมันก็เปลี่ยนอีกไม่มีวันจบสิ้น ทีนี้ขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเดี๋ยวในนี้นพ่อคูเมื่อกี้ลืมเอามาขอยืมแบงค์พันหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งใบใครยังไม่ก็ยกเอามาให้พ่อคูเร็วๆเดี๋ยวนี้ยืมหน่อยหนึ่งใครมีแบงค์พันเข้ามาด้วยดีพอเข้ามาเออเอาเอามาก่อนคือคื อ, คอการศึกษาเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, ยนตามโลกแบบนี้มันไม่มีวันทันเอาเรียนเรื่องเทคโนโลยีนี้สุดท้าย มันก็เปลี่ยนรุ่นใหม่อีกอ่ะขอบคุณมากคุณแม่ขุมทรัพย์อยู่ในนี้ตั้งแต่แบงค์พันนี้ออกมาเนี่ยพวกคูก็ยังไม่นั่งไปดูมันยังไม่ได้อ่านไหดูนะั้นะแล้วหลายคนก็คงไม่เคยเห็นนะอันนี้พวกคูใส่แว่นแล้วยังอ่านไม่เห็นนะตัวเล็กมากต้องเชิญผู้รู้การอ่านภาษาตัวเล็กเนี่ย ออกมาอ่านให้เราฟังนะพี่เปนโนดูว่าขุมทรัพย์ในนี้คืออะไรถ้าเรารู้ขุมทรัพย์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งไปตามโลกชีวิตเราจะมั่นคงที่สุดเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบ พอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองพระราชดำรัดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบแล้วเนาะจบแล้วค่ะอ้าวสาธุพร้อมกันในสิ่งที่ทุกคนต้องการที่สุดคือทงอเงินไทยเราตอนนี้แบงค์ที่ใหญ่ที่สุดคือแบงค์พันแบงค์พันเนี่ย ทำให้คนฆ่าตัวตายได้ทำให้คนทะเลาะ ก, กันได้แต่ถ้าเรารู้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในแบงค์พันเนี่ยทำให้คนปลอดภัยได้ให้ชีวิตมั่งมั่นคงได้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือคำตอบของมนุษยชาติถ้าเราไม่พอเพียงเราก็วิ่งไปตามรุ่นใหม่อยู่เรื่อยการศึกษาใหม่ๆ ม, ม, ม, มันไม่จบถึงวันนี้เพราะมันแข่งขัน ไม่ดูแข่งไปทำอะไรเห็นไชีวิตเราจะไม่มีวันเสตดาวภาษาอังกฤษบอกว่าจะไม่มีวันสงบหรืออยู่ตัวเพราะเราไม่เคยพอใจเลยโดยเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมาชาติของมนุษย์เนี่ยเ ร, เ, รเราคิดเป็นนะไม่ใช่เป็นหรอเราคิดเก่งเราคิดเราคิดได้เราได้เร า, เร า, เ, ราเรารู้จักคิดสัสด์เดาฉาน ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันไม่เคยมันพอใจในสิ่งที่มันเป็นมนุษย์เราเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่แสวงหาความหมายเห็นไหมเรารู้ว่าอันนี้คือเรียกว่าแบ่งพันเห็นไหมธนบัตรนี้พันบาทมันมันมากกว่าหนึ่งบาทเห็นไหมแล้วบางทีก็ต้องการไปที่หนึ่งระหว่างหนึ่งบาทกับพันบาทตัวไหนมันดีกว่ากันสมมติอย่างนี้นะบางครั้งก็อยากได้ที่หนึ่งบางครั้งก็อยากได้พันหนึ่ง นี่คือทุนนิยมเขาเอาเงินเนี่ยใครมีทุนมากกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบก็ชนะแล้วไปหลงว่าถ้าเราหาเงินเยอะๆเราก็มีความภาคภูมิใจเราจะมีความมั่นคงเราจะมีความสุขนะมันเป็นความสุขจอมปลอมพอถูกขโมยไปปุ๊บ ก, ก็ทุกข์แล้วหรือว่าเขามีมากกว่าเรามาดูถูกเราเราก็ทุกข์อีกแล้วแต่พรอครูจะบอกว่าขุมชัพย์ที่ ธราชาเราเนี่ยซ่อนอยู่ในแบงก์พันเนี่ยนี่คือสมทรัพสําหรับชีวิตถ้ารู้เราเข้าถึงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยเออเรามีแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะแตกแบงก์พันเนี่ยจะแตกเนี่ยถ้าเรามีเสกพอเพียงเนี่ยเราต้องระวังไม่ใช่ใช้เงินแบบสุดรุ่ยสุดรายนะพ่อครูมาตั้งแต่ปีแรพกพ่อครูอบรมชาวบ้านที่นี่อะไรเขาว่าพ่กคูเป็นคนบ้า กลัวพ่อครูมากคือเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาบอกใช่สิรวยแล้วถึงพูดได้ในหลวงเรารวยไหม ย, ยิ่งกว่ารวยอีกในความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะเสพสุขอย่างเดียวก็ได้ไง70ปีของพระองค์เนี่ยทำเป็นแบบอย่างอยู่แบบเรียบง่ายเห็นไหมที่พระครูบอกแล้วเนี่ย ยายาสีฟันเนี่ยบีบฤลิดจนไม่มีจนบางทีผ่าวออกมาใช้หมดเลยนะแต่พวกเราเนี่ยใช้แบงพันยังกับอะไรปิวปึมปึมปึมปึมแล้วคนที่คนชนบทตอนนี้สมัยก่อนเขาอยู่ดีๆของเขานะเขาจนอยู่ดีๆของเขาแต่นักวิชาการมาสอนให้เขายากจนมากระตุ้นความอยากให้เขา เพาูมายี่ปปีทันนะเขาพอเพียงอยู่แล้วตามธรรมชาติเขาพอใจเพียงแค่มีเขาไม่มีอะไม่มีเงินสักบาทหนึ่งเขาไม่ได้ทุกเขาลงไปในเขื่อนเขาก็มีปลาขึ้นมาเขาไปในป่ามีหน่อไม้มีเห็ดมีสมุนไพรแต่ตอนนี้ผู้รู้ทางวิชาการเนี่ยมาสอนให้เขายากจนเพราะอะไรไมักระตุ้นให้มีความอยากเขาก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเขาก็เลยขาดทุนตอนนี้เป็นหนี้หัวโต ตอนนี้ยากจนแล้วนอนไม่หลับแล้วถูกยึดที่เห็นหั้มเพราะเราไปหลงวัตถุนิยมหลงทุนนิยมไงในใบนี้สนามหลวงตอนนี้บางคนไม่มีพระฉา ย, ยาลักษณ์ของในหลวงก็เอามาท่านเอาเนี่ยคือรูปในหลวงไงพระองค์สัน้นนะมหาสมบัติอยู่ข้างในนั้นเลยถ้าเราเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงนย่ชีวิตเราเนี่ย สำเร็จเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ก็สําเร็จไงพอใจเพียงแค่มีแต่ไม่ได้ไปว่าพอแล้วก็ขยันขันแข็งทําหน้าที่เราไปอย่างมีความสุขแต่ตอนนี้เราไม่พอเราไม่พอใจเพียงแค่มีเราจึงเป็นทาสของวัตถุนิยมเอาเงินานาขุดมาใช้หมดทุกประเทศทั่วโลกเป็นหนี้หมดมีทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ อเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจสังคมการเมืองตัวเลขมากที่สุดในโลกเป็นหนี้มากที่สุดในโลกเห็นไหมเพราะมันไม่พอเพียงแล้วก็ถ้าไม่หยุดเตมนี้นะช่วยกันทาลายโลกนี้อีกต่อไปแล้วเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่จริงๆข้างล่างเป็นโพรงหมดแล้วกว่าจะเป็นน้ำมันมันสะสมมากี่ล้านปีสู่ขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านบาเรลมาแลกเป็นเงินแผ่นดินก็ถลม่ม ซีอนอมีก็เกิดขึ้นโลกก็ร้อนขึ้นภูเขาน้ําแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้กำลังจะละลายเห็นไหมเนี่ยขุมทรัพยบังเอิญแปลกมากก็ไม่ใช่แปลกหรอกหลายปีพ่อครกูก็มีล่ะคือตั้งแต่พ่อครูยังไม่เปิดศูนย์เนี่ยพ่อครกูก็ทําเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายแค่สามสี่ปีนี่ดังเป็นพู่เลยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ โทรทัศน์หลายช่องมานี่ยหน่วยราชการก็พาชาวบ้านมาดูงานมาเที่ยวมาช้านกว่บบากนให้มันหมดนะมะม่วงเพิ่งออกมายังไม่แก่เลยมันก็เดชกันไปหมดพวกูเลี้ยงข้าวฟรีมาทีหนึ่งห้าร้อยคนหกร้อคนพวกคูบอกให้ไร่สารล่ะกลับไปไม่เห็นมันทําต่อพวกคูก็เลยเปิดโรงเรียนไงอ่านะแล้วคนในไร่วันนี้เห็นครูโก้แวบมา เนะ็าอาจจะเกิดสำนึกกระตันอยู่ในหลวงขึ้นมามาปงผมวันนี้กูโก้นะนะสมัยก่อนก็ไปเนี่ยอยู่นั่นพอครูดูแล้วอารมณ์เขาเขายังเข้าไม่ถึงไงโอเคโอเคก็ เ, เปิดโรงเรียนทุกคนเรียนเรียนไปเป็นครูไปหมดแต่เมื่อเป็นครูแล้วมีโอกาสแล้วเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน ก็เร็วๆนี้พ่อครูบอกแล้วหน่วยงานทางกองทัพเนี่ยท้งทหารส่วนกลางเนี่ยเข้ามาที่นี่มาคุยกับพ่อครูเขาก็จะขอใช้ที่นี่เนี่ยเป็นฐานเนี่ยนะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงบอกเป็นพ่อครูเป็นเป้าหมายพ่อครูอยู่แล้วนะนะพ่อครูยินดีแล้ก็จัดนักข่าตอนนี้ไปดูแล ง, งานนั้นแล้วก็จากพรุ่งนี้ไปต้นไปเนี่ยช่างปูนกำลังทำห้องน้ําเราอีกนั่นห้องปูนหมดลับไปไปทาําศาลาอยู่ตรงนู้น ไปอบรมเขาจะเอาชาวบ้านเอาเกษตรกรลาวมาด้วยมาอบรมที่นี่นะคือเศรษฐกิจพอเพียงเราเข้าใจว่าไปใช้กับคนจนจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดมนุษย์เสียชาติทั่วโลกต้องใช้โลกนี้จะอยู่ได้ยาวขึ้นเราทําลายล้างไงเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเนหะ็นไหมที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากไง นะเรื่องนี้แหละพูดถึงเรื่องผมเนี่ยลามไปทั่วเลยนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ศูนย์เนี่ยนะเห็นไหมการศึกษามันก็เปลี่ยนถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยว่าจะไปเดียนแบบเก่าๆเนี่ยนะมีแต่ขยะลูกหลานเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยไม่ชีประถมมัธยมเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่เรามาลองดู ครูที่โรงเรียนมัธยมบอกว่าเอามาเรียนแบบนี้นะ่ะเห็นไหมให้มาสอบวิชาอะไรบางทีก็สอบไม่ได้เอาเดี๋ยวม่อครูจะเอาครูในโรงเรียนมัธยมเนะี่ยมาสอบวิชาพ่อครูดูสอบได้ไหมเห็นไมสมมติว่าเขามาบวชชีเนี่ยแค่เขาบวชชีเนี่ยเขาต้องตื่นตีสี่ตีห้านะเขาไม่ต้องกินข้าวเย็นเขาทำวัดเย็นทุกวันคุณครูมาทำแบบเขาได้ไหม สอนแตเรื่องไร้สาระอยู่เนี่ยบ้านเมืองมันไปไม่รอดแล้วนี่คือวิ น, นัยนะมีไม่ชีมัจยโยมอยากไปเรียนรอด อ, อะไรล่ะเพราะกว่าต่อไปเนี่ยผู้หญิงไม่ต้องเรียนรอดอนะนี่ยิ่งกว่ารอด อ, อีกรอดอนันไปหาเพื่อนเฉยๆไม่มีวิ น, นัยไปเห่ตามกระแสนะ ถ้าคุณครูไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วเนี่ยลูกหลานเราก็เป็นเหยื่อส่วนวิชาการเราไม่ทิ้งไงเพราะว่าเราเปลี่ยนโครงสร้างไม่ได้มันยังทำอะไรโงโงๆกันอยู่โอเคเด็กเราก็ต้องอยู่ในสังคมก็เรียนไปติววิชาการไม่ใช่ไปบ้าท่องจำอยู่ตรงนั้นน่ะนะส่วนเขามาเป็นนักบวชเนี่ยเขาได้เรียนรู้ทักษะชีวิตรู้รับผิดชอบนะรู้อยู่แบบสมถมะเรียบง่ายเห็นไหม พอน้องขีรายงานพระครูวันนั้นบอกว่านี่ยแหละมีครูเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเออครูที่ด่านเม่นเราสอนเก่งนะนะมหกลุ่นแรกของเราเนี่ยไม่มีใครเรียนต่อไม่แต่คนหนึ่งมันสอนเก่งมากมต้องจับครูมาเข้าค่ายถ้าพระครูไม่ดึงมาสามคนในีสามคนนี้ไม่รู้จะเรียนต่อหรือเปล่าคุณสอนเก่งสอนอยังไงอันนี้ชี้ให้เห็นนะ ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ก็แค่นั้นไงก็รู้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่รู้แต่คุณไม่เคยเปิดหูเปิดตาดูว่าโลกมันจะเป็นยังไงนะพวกะคูเป็นคนหนึ่งหละไม่ทำอะไรโง่ๆขยันแบบโง่ๆไม่สำเร็จเราเหนื่อยแล้วให้เป็นบุญจริงๆให้ลูกหลานเราได้จริงๆนะถ้าครูไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะเอาตัวรอดเป็นวันวันหนึ่งเนี่ยเราก็พลาดโอกาสในการสร้างกุศล อันนี้ชีให้ดูนะกนะ็ในเงินพันบาทเนี่ยซ่อนขุมทรัพย์อยู่ในนั้นวน่ว่างๆไปอ่านดูแต่พรอกูถึงจะใส่แว่นแล้วก็อ่านอ่านไม่ออกอัะตัวเล็กมากเป็นเขาซ่อนอยู่จริงๆนะต้องอาศัยตาคนอื่นมาอ่านให้พ่อกูฟังทำงานสามสิบวันเงินเดือนออกวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เป็นวันใช้เงิน ส0ิบวันใช้วันเดียวหมดส่วนนึงก็ไปจ่ายหนี้เขาเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนอันนี้เพราะมันไม่พอเพียงถ้าเกิดรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารู้คุณค่าของแบง์พันเนี่ยนะพวกคูจำได้ยี่สิบกว่ายี่บเจ็ดปีก่อนอน่ะนะพวกคูอบรมชาวบ้านนี้นพวกคูบอกว่าถ้ากินเหล้าได้ต้องกินนะไม่กินโง่ เฮ้ศิลพระครูคืออะไรไปบอกให้มันกินเหล้าแต่ถ้ากินเหล้าไม่ได้ไปฝืนกินเนี่ยไอ้ง้างเขาบอกเขาไม่เข้าใจยังเศรษฐีพระครูเคยแล้วล่ะเนาะพอเรียกประชุมกันทีหนึ่งนี่ไอ้วายขวดละที่เป็นเงินไทยเจ็ดแปดหมื่นนั้นวายขวดหนึ่งเอาละลินคนละนิดนินิดนิดนิดที่หนึ่งอาชนกัง แค่เป็นกระใสเนอะแล้วก็เซ็นสัญญากันนะลอยล้านพันล้านเธอก็ได้ประโยชน์ฉันก็ได้ประโยชน์อันนั้นถ้าไม่กินอนะมึงโง่แต่ถ้ากินเล่าแล้วมันเสียนะตอนนั้นพวกก็สร้างงานในไร่แหลมทองเราเนี่ยนะตอนนั้นศูนย์ยังไม่มีนะนะทำรายวันนะพอเงินออกมาปุ๊บเดินมาถึงสี่แยกเซเว่นเซเว่นในหมู่บ้านเนาะไม่ใช่เซเวนตีเซเว่นนะเซเว่นเทน เฮ้ยมามามามาปุ๊บเอามาขวดหนึ่งเสียงดังนะเล่าขาวนะพอคึบเข้าไปแล้วติดลมเนี่ยอะเอามาอีขวดหนึ่งขวดที่สองเงินไม่พอจ่ายละก็เซ็นไม่ไงเดินเซ่เซกลับบ้านเมียถามว่าเงินอยู่ไหนวะมึงพูดมากแล้วเดีย๋ยวเตะนะเนี่ยอันนี้กินแล้วมันเสียเสียสุขภาพด้วยบางทีเมามาเพื่อนตีเพื่อน เมียที่สุดที่รักของเราก็ไปด่าเมีย อ, อีกพอจับมานั่งเวียงเวียงเวียง<ๆ>มันอ้วกแตกวกแตกกินเหล้าไม่ได้ไงนะพอเดินกลับบ้านเพื่อนเรียกอีกบอกเฮ้ย hey, ปวดท้องจะรีบเข้าห้องน้ำก่อนพอไปถึงบ้านเอาเงินให้เมียฉันรักเธอเธอรักฉันไม่ต้องมีรายได้เพิ่มเลยเห็นไหมมาเวียงไอ้ความง่วงมันออกแล้วมันจะฉลาดขึ้น ชีวิตมันจะพอเพียงทีนี้พวกกุณบอกว่าถ้าเรารักเงินไหมเขาบอกใครชอบเงินยกมือขึ้นหมดชอบจริงๆเหรอเห็นเงินเดือนออกมาไปเวี่ยงมันทิ้งหมดเลยเบียงที่เหลือทิ้งไม่ใช่เบี่ยงเงินทิ้งถ้าเงินออกมาปุ๊บเราไว้บนหิ่งเนี่ยฮะไหว้มันทุกวันทุกวันเนียนะเดี๋ยวออกมาอีกก็ไหวอีกไหวอีกไหวอีกยิ่งสมัยก่อนเนี่ยยี่สิกว่าปีก่อนไปฝากธนาคารเนี่ยมันออกดอกออกผลนะดอกหลายร้อย เออสบกเปซนะเห็นไหมถ้าเราลักมันมันก็อยู่กับเราไงอันนี้เราไม่ลักมันเลยเราเกียบมันมากกลัวมันจะข้ามคืนด้วยนะเช้ามาปุ๊บเหวี่ยงทิ้งหมดเลยแล้วมาทำงานงกงอีกสาสิบวันเขาไม่ฟังบกูหรอกเขาว่าพ่อกูเป็นบ้าไม่เป็นไรบ้าก็บ้า บ้าแล้วมันไม่ทุกข์ดีกว่าคนคนดีแต่ทุกทุกวันอันนี้เรื่องหนึ่งเนาะเอาเวลาเร็วๆหน่อยหนึ่งก็อันนั้นเรื่องการศึกษาเปลี่ยนละนะการเมืองก็เปลี่ยนอันนี้พกูไปเร็วๆนะอิทธิตทํิทำเอฟเฟกต์เขย่าเศรษฐกิจโลกสะเทือนถึงเมืองไทย ก็แค่เปลี่ยนตัวประธานทธิปดีตามกติกาเลือกตั้งแบบปร ะ, าประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาแต่เหตุไฉนาการได้ตัวนายโดนัทรมจากพรรคริพับลิกันมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45นะจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช็อกโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั่วโลกปั่นป่วนสะเทือน เหลากับเกิดแผ่นดินไหวในระดับ10ลิตอร์นับจากวันเลือกตั้งผายพอดีสหรัฐ9พฤศจิกายน2559มาจนถึงนาทีนี้กระแสขึ้นแห่งความไม่แน่นอนยังส่งผลให้ตลาดทุนตลาดเงินตลาดทองคำทั่วโลกยังคงเวี่ยงตัวขึ้นลงอย่างสนุกสนานและปรากฏว่าตลาดทองคำไม่ตอบรับเชิงบวก เหมือนที่คาดการ์กันไว้ว่าหากทํามาราคาทองจะพุ่งพวดแน่นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศด้วยท่าทีที่แข็งก้าวต่อจีนรวมถึงความผงผางไม่ยืดหยุ่นของธรรมที่แสดงออกมาตลอดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแต่พอโอเคเดี๋ยวไม่มีเวลาสตาร์ทแค่นี้ก่อนแค่คนคนเดียวเนี่ยนะแล้วไม่เกี่ยวกับประเทศเราเราเลยเนี่ย แค่คนกันเดียกระเทือนไปทั้งโลกทำไมเพราะมนุษย์เราไปสร้างโปรแกรมสร้างเครือข่ายเหมือนอยุโรปเนี่ยเขาสู้เมกาไม่ได้เขาก็เกาะกลุมทำเป็น e อีเป็นโซนเห็นไหมเพื่อเป็นกำลังต่อรองไม่กี่ปี e อกํากำลังจะเจงอังกฤษประกาศตัวถอนออกคือมนุษย์เราไม่พอใจแล้วเป็นคนไทยก็อยู่อย่างคนไทยเป็นเนี่ยตอนนี้นักวิชาการจะมาหลอกเราไปอาเซียนอีกแล้ว มิคิดแต่ว่าทํายังไงจะเล่นเกมต่อรองมันได้เราไม่ทําเศรษฐกิจพอเพียงไหมรู้ว่าทำยังไงเมืองไทยเราจะมั่นคงเราอยู่ได้ถ้าเมืองไทยเราพออยู่พอกินเนี่ยนะไม่เป็นหนี้ใครนะ่ยนั่นคือความมั่นคงไงชีวิตเราอยู่ในป่านเนี่ยแค่มันเลือกตั้งทาทุบดีคนใหม่เนี่ยกระเทือนถึงเราเนี่ยทางตรงทางอ้อมเห็นไหมญาติธรรมที่เคยมาบ่อยๆเนี่ยนะเออเขาไปเล่นเกมเศรษฐกิจพอเศรษฐกิจกระทบปุ๊บเนี่ย เขาก็เดือดร้อนเขาก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเห็นไหมมนุษย์เรามันหาเรื่องต่างคนต่างอยู่ไม่พอใจนะสร้างเครือข่ายอะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไหมอย่างยุโรปนี่มีประเทศหนึ่งที่มันมันเซพปุ๊บมือนดึงกันทั้งหมดเลยนะเมื่อเราไปตามเขาเนี่ยตามไปว่าไม่ทันนะมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันพูดตัวการศึกษาถ้ายังทําอย่างนี้อยู่เนี่ยพวกเราเหนื่อยเปล่าและลูกหลานเราเนี่ย เสียเวลาชีวิตเฉยๆอันนี้การเมืองก็เปลี่ยนนะเขากำลังจ้องดูอยู่เนี่ยทํายังไม่ขึ้นเลยนะอเมริกาตั้งแต่เลือกตั้งวันที่เก้ามาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่ยังหยุดเดินขบวนอเมริกาไม่เคยเกิดแบบนี้เขาเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยแล้วทุกคนมีสํานึกตอนนี้มันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาไม่ยอมกันละเห็นไหมเพราะมันสังคมเกิดวิตกจริตหมดคนเปลี่ยนหมดเลย ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะเห็นบอกโกวางมาที่รักษาการเนี่ยแค่อีกเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยนะอาจจะประกาศกฎอายการศึกเพราะทํำท่าจะเอาไม่อยู่ถ้าอเมริกาเป็นไปเป็นอะไรเนี่ยนะโลกนี้เจ๋งหมดเลยนะทุกประเทศมีแต่ทรงออกทรงออ ก, อ, อ, กอาศัยตลาดอเมริกานะแล้วเขาก็ไปลงทุนทั่วโลกตลาดทุนไงนะเขาดึงเซมหมดเลยนะแต่ศูนย์ไม่เป็นไร เราไม่ได้ผูกบ่วงไว้ตรงนั้นมีแต่ว่าถ้าผู้คนไม่ได้มาหน่อยหนึ่งเราก็สบายขึ้นแล้วก็มีเวลาทำของเราได้มากขึ้นใช่ไหมนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะเมื่อเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งถ้าการศึกษาเราไม่ปรับเนี่ยนะมีอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากนะเศรษฐกิจเนี่การทำธุรกิจนี่ต้องเปลี่ยนอย่างเซนท่านอย่างไรถ้าไม่เปลี่ยนตัวนะพวกนี้เจงได้ไง่าย บิกซีโลวตัตพวกร้านใหญ่ๆเนี่ยเจ๋งวเร็วนี้อเมริกาที่พ่อครูเมื่อหลายอาทิตย์ที่พูดบอกว่าอะไรเนี่ยวอร์มารเนี่ยเป็นร้านสับปะินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนี้เริ่มไล่คนงานออกแล้วนะเพราะอะไรเดี๋ยวอ่านตรงนี้ให้ฟังจีนผู้นำเทรนการค้าขายโลกกลงมสงเสริมสหัากรกระทรวงกรเกษตรและสรัพยากรเชิญร้อยตารวจเอกดอกเตอร์นิติภูมินะ วิเคราะห์โ อ, อกาสทางธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจอันนี้ตัดก่อน น, อนะแกบอกว่าภรรยาผมซึ่งเป็นคนจีนเล่าให้ฟังว่าวันศุกร์ที่11พฤษภาคนายน2559 11ผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะหรือวันคนโลกวันคนโสดเขามีวันคนโสดนะที่เรียกกันว่าซิงโก้ซิงโก้สเดอาลีบาบา ชื่อนี้ทุกคนได้ยินนะทำยอดซื้อขายได้1 2ึ0 0 0แสนล้านหยวนวันเดียว1 2ึ0 0 0แสนล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็ห0แสนล้านบาทวันเดียวนะมันไม่มีล้านสัปปะสินค้านะนะเอาละก็บอกพอสหาได้เท่าไรหร่หเ7เท่าไหรเพราะครูไม่อ่าน นอกจากนั้นก็ยังคุยให้ฟังถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนโดยยกตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวของเธอว่าหลังจากวันคนโสดเมื่อสั ป, ปดาห์ที่แล้วที่เมืองจีนมีเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR ทําให้มีการซื้อขายเหมือนกับเราไปเดินซื้อของในห้างจริงๆเจอสินค้าไหนก็ตัวเองสนใจก็สามารถดูและซื้อได้เดี๋ยวนั้นเลยเทคโนโลยีเสมือนจริงจะทําให้คนไม่ไป เดินซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าอีกต่อไปห้างต่างๆจะกลายเป็นเพียงสถานที่พบปะทานอาหารหรือเป็นที่เดินเล่นลายร้อนของหนุ่มสาวแม้แต่ในบ้านเราพฤติกรรมการบริโภคสินค้าก็เปลี่ยนไปผู้คนนิยมซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นเพียงแต่ที่บ้านเรานั้นปัญหายัางอยู่ที่ระบบโลจิสติกการขนส่งสินค้าอันนี้ชี้ให้ดู มันเปลี่ยนอย่างน่ากลัวนะเหมือนพวกครูบอกว่าโกดักเ่ะสมัยก่อนฟิล์มกล้องนี่ดังที่สุดในโลกมีสาขาทั่วโลกทุกเมืองในโลกนี้เจ็งไปแล้วและอีกเร็วๆนี้เนี่ยไม่กี่เดือนข้างหน้านี่ซีดีเราจะหายจากโลกนี้เห็นไม้มถ้าการศึกษาเรายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยเด็กไทยอยู่ในโลกนี้ ยากนะอันนี้สามสี่อย่างที่พกลอเล่าให้ฟังนะให้ไม่ฉี่ที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยนอกจากลูกเบี่ยงเยอะๆดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยขาไม่ต้องเรียนกันจบแล้วนะในโลกนี้เนี่ยาคาครูชนิดหนึ่งมากเหลือเกินตอนนี้คือผู้นำทางจิตวิญญาณ แต่เราอย่าประมาทลูกเราปฏิบัติเราเหวี่ยงไปด้วยเราก็เรียนคู่ไปด้วยนะเผื่อขาดเผื่อเหลือเกิดมันไม่ระเบิดเกิดมันไม่เห็นทำบางทีก็ต้องไปขุดดินเนาะปลูกผักสวนครัวนะเพราะกูกําลังทําจริงต้องการใสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็โลกใบนี้เนี่ยเห็นไหมการศึกษาเราคิดว่ามันจะทิ้งหมดเลยนะการศึกษาเจ็ดปดหมวดวิชามันจะทิ้งหมดเลยเพราะมันไร้สาระ เด็กอเมริกันหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าของ YouTube จะไม่รู้ชื่อว่าอะไรลูกใครรู้ไหมเจ้าของ y o u t u อ่ะหรือว่าไ อ, อ, อ c e b o o k อ่ะเห็นหเขาไม่ไดเรียนจบอะไรนะแค่เขารู้จักวิธีทำเนี่ยเขาก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วมึงไปเรียนให้มันโง่ทำไมการศึกษา ย, ยังจับเด็กเดียวซ้ายเรียวขวาแบบนี้อยู่เนี่ย สอนี้เขามีศีลสมาธิปัญญาก่อนแล้วต่อไปโลกมันเปลี่ยนอะไรก็ช่างเขาจะรู้เท่าทันโลกไม่ใช่ไปตามโลกนะแต่พื้นฐานชีวิตเราต้องอยู่ได้นะจากนี้ไปพวกกูสั่งนะคมแล้วเนี่ยทำจริงนะวันใดวันหนึ่ง เ, เงินมันกลายเป็นกระดาษเราต้องอยู่ได้สาน้ำพ่กกูขุดเนี่ยในไร่ด้วย ยี 20, 30, ส่สิบสามสิบศรพอหน้าแรงเนี่ยน้ํามันแห้งหมดเพราะข้างล่างที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นมันเป็นยอดเขานะข้างล่างเป็นหินหมดไอเขื่อนชิรีนทร์มันเป็นหุบเหวไงจริงจริงเราอยู่ยอดเขานะพอตกมามันไหลลงไปหมดแล้วแล้วหน้าแรงเนี่ยน้ําเขื่อนลงปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดน้ําใต้ดินไปด้วยนะที่นี่เราแห้งนะศานี่เดี๋ยวแรงนี้ ธรรมดาแรงที่ผ่านมาว่าจะทําโรงงานมันเฉพาะหน้าเยอะนะเราจะเอาแผ่นยางอะไรมาปูพื้นสระอะไรทั้งหมดเนี่ยเราต้องเก็บ ก, กับน้ําไว้ได้ถึงปีแล้วสาลานี่ไม่ใช่ยกขึ้นเรื่องเดียวนะเพราะกูยกขึ้นโดยจะทํารางน้ำดีๆเนี่ยมีแทงน้ําหมดหมันสูงนะแทงน้ําทําถุงสูงแล้วก็ส่งน้ําไปทั่วศูนย์ตรงไหนว่างปุ๊บสร้างแทงสร้างแทงเราต้องเก็บน้ําฝนให้มากที่สุดตอนนี้สาระชาติประกาศแล้วเนี่ยโลกนี้จะเกิดวิกฤตน้ําจืด เวลาฝนมันมามันมาแรงๆเลยแล้วก็จะท่วมหมดเวลามันหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปเลยชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วนะอยู่ๆเขามีหมอกมาในยุคนี้แหละเขบอกปีนี้จะแรงแน่แล้วก็ในสระนั้นในแม่น้ำสระถ้าเกิดว่าเราไม่มีปลามันจะมียุงนะบอกนะักทำทำดีๆแล้วปลามาลงเศษอาหารเรามีทุกวันเนี่ยไปเลี้ยงอย่าจับมันมากินนะเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขา นะแล้วเกิดวิกฤตมาสักวันหนึ่งเขาจะเลี้ยงเรานะแล้วก็เรามีน้าพอปลูกนะแล้วก็ตอนนั้นพกูเคยให้ครูเนี่ยไปเลี้ยงไก่ไข่อะไรมาสอนเด็กเลี้ยงไปเลี้ยงมามันหายไปทั้งไข่ทั้งไก่ <c oughs> นะตอนนี้ในไร่แลหลมทองบกกี่รอมึงต้องเริ่มทำแล้วนะเราต้องการขี้ไก่เพราะเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะ มาทําให้ที่เตาดุดสมบูรณ์แล้วแล้วก็มีไข่เนี่ยมาบริโภคนะแล้วไม่มีเหตุผลจะไปซื้อของคนอื่นพูดมาตั้งกี่ปีแต่ยังหาคนที่ทําจริงไม่มีแต่ตอนนี้นี่มีไม่มีก็ต้องทําบอกนะําไปทำนะต้องทํามันจริงๆนะเรื่องอาหารสําคัญที่สุดไม่มีเงินก็ไม่ตายมีเงินไม่มีอาหารกินตายนะก็ ตอนนี้พ่อครูมอบให้ไม่ชีมัธยมนะเดี๋ยวให้พี่แก้วที่ช่วยหาเครื่องมือให้คือกล้องวิดีโอแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะว่างๆลูกสร้างภาพยนตร์นะนั่นแหละเรามี14ชีวิตเนี่ยนะเขียนบทขึ้นมาลูกทุกคนแสดงตามความเป็นจริงว่าเราใช้เป็นชีวิตนักบวชเนี่ยในวัยเรามีอะไรบ้างนะแล้วก็พ่อครูจะฉายไปทั่วโลก นะตอนนี้แฟนขับเราดูเราทั่วโลกนะยูท b e พวกกูน่ะเดี๋ยวเราก็ฉายไปทั่วโลกทำอะไรให้มันเป็นสาระให้มันเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติไปกระตุ้นคนรุ่นใหม่อย่าไปเห่อตามแฟชั่นเห็นไหมบางคนอยากเป็นดารานะเนี่ยทุกคนเป็นดาราหมดนะเราแสดงเป็นนักบวชไงลูกนะเขียนสคริปต์ขึ้นมาแล้วก็พวกคูจะส่งเสริมนะ แล้วก็มาช่วยกันนี่คือการศึกษาให้มันทําได้ให้มันทําเป็นคิดวางแผนเป็นไม่ใช่ไปท่องจําไอ้วิชาบา้บาบา้บาบบอนั่นน่ะนี่คือการศึกษาไงเขาต้องช่วยกันคิดไงวางแผนเนี่ยไหมเห็นไหต้องสร้างให้มันสำเร็จเออมันไม่ดีต้องแก้ไขเขาก็ได้คิดไงเห็นไหมเขาก้าที่จะมาบวชกล้าปลงผมเนี่ยคุณครูเรากล้กาทําอย่างนี้ไหมว่าเด็กที่นี่มันไม่เก่ง ม, มันไม่เก่งไงวิชางงโง่ๆเนี่ยไปเก่งเลย จบมาแล้วก็มานั่งเถียงกันคุยกันไม่รู้ภาษานะถ้าเขาไม่มีปัญญาเขาเลาก้ามาบวชเลยนี่คือปัญญานะปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วกล้าทำเห็นไหมใครบ้างลหละไม่อยากจะสวยไม่อยากจะหล่อนะเห็นไหมละ่ะแต่เราข้ามความอยากได้ไงเรายิ่งกว่าสวยยิ่งกว่าหล่ออีกเร า, างามงามทั้งข้างนอกข้างในนะเออโลกให้มันจะเป็นไงให้มันเป็น เรามีรอลาวันหนึ่งเราก็ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ต่อชีวิตบางคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในตัวเองเลยจะตัดผมทรงไหนก็ต้องไปถามเจ้าของผมเราก่อนแต่บางคนบุญก็เยอะนะคนข้างตัวนี่ปล่อยให้อิสระเลยแต่เราเองไม่วางผมเราเองนะห่วงมากไม่รู้มีผมมันห่อได้หรือเปล่ามีผมแล้วเป็นนางงามหรือเปล่าเนาะ มันสำคัญขนาไหนนะอันนี้คิดดูแต่ไม่ใช่ว่าไปฝืนใจตัวเองทำนะฝืนใจทำไม่ได้อั น, นิสงมันต้องให้เกิดจากสำนึกจริงเออเราเกิดปัญญาแล้วเออเข้าใจแล้วเห็นไหมทาในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราและไม่ใช่ชีวิตเดียวนะตายแล้วอา น, นิสงที่เรากล้าทํเราวางเนจิตมันบันทึกไว้แล้วเนี่ยเราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะ ทุกคนให้ศึกษาเนี่ยเอาเกษตรเพื่อชีวิตหนังสือที่พระครูพิมพ์มาอ่านอ่านแล้วอ่านอย่างนั้นเนี่ยอีกนั่นแหละอยู่ในนั้นน่ยนะเออเราจะเข้าใจอะไรคือชีวิตพอเพียงจริงๆแล้วในหลวงเราเนี่ยพระราชบัญญัติตรงนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะแต่พระองค์รู้ว่าคนทุกวันนี้มันทุกข์เพราะเศรษฐกิจไงทั้งโลกเนี่ยเอาเรื่องเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งเขาไม่เอาชีวิตเป็นที่ตั้ง แต่ในหลวงเรานี่ชี้นี่พูดทั้งหมดเกี่ยวกับกชีวิตทั้งหมดอ่ะนะยิ่งติดตามข่าวมาเรื่อยๆนะที่ช่วงหลังเนี่ยโอ้โหพะกวนเนี่ยในหลวงเนี่ยในโลกนี้ไม่มีใครจริงๆเป็นอย่างนี้พอพูดเรื่องสาธารณสุขเรื่องการแพทย์เนี่ยไม่รู้จ็ดสิบปีพระองค์ทำกี่โครงการวันโรกเนี่ยพระองค์เป็นคนเริ่มต้นจากทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ช่างเนี่ยเป็นห่วงวันโรกในเมืองไทยกระตุน้น โรคเลือนพระองค์เป็นคนกระตุน้นจนมันหายไปจากเมืองไทยนะแต่ตอนนี้เนื่องจากเศรษฐกิจไงอยากเอาแรงงานถูกๆจากาเพื่อนบ้านมาเนี่ยเขาเอาโรคพวกนี้เข้ามาอีกเห็นไหมมันได้ไม่คุ้มเสียนะในหลวงพระองค์ทรงสร้างเพื่อป้องกันให้ลูกหลานท่านปลอดภัยเนี่ยแต่ไอ้ทุนนิยมต้องการเศรษฐกิจแล้วเนี่ยไอ้วัคซีนต่างๆที่ทําไปเนี่ยกลายเป็นว่าเชื้อใหม่เกิดขึ้นแล้ว บนโลกก็เริ่มเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกแล้วธรรมาดามันหายไปทั้งนานแล้วนะเพราะเราไปเน้นที่เศรษฐกิจไงเพราะเราไม่พอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงจะทําทให้ชีวิตเราสมบูรณ์นะมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมันเป็นชีวิตที่พอเพียงโอเคนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภาษีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมา ได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเธอน